นี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่2กันยายนพุทธศักราช2538และเป็นครั้งที่สี่ของการบรรยายความรู้เกี่ยวกับพระพิธรรมในหัวข้อเรื่องปริญญาปัญญาโดยท่านอาจารย์ชุเทพงศ์ทิศธาบัดนี้ได้เวลาันสมควรแล้วใครขอกลับเรียนเชิญอาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อดังกล่าวสืบต่อจากคราวที่แล้วกรับพระคุณเจ้า ท่านสาธุชนที่เคารพประเด็นที่จะอธิบายวันนี้ขึ้นหัวประเด็นใหญ่ว่ายาตะปริญญาโลกียาญานเนื่องจากว่ายาตะปริญญาก็ดีเต่ณนะปริญญาก็ดีปหานะปริญญาก็ดีเมื่อกล่าวโดยภูมินั้นมีสองภูมิได้แก่โลกียภูมิอันได้แก่ปริญญาสามที่เกิด ปรากฏเป็นอาการของโลกิยวิปัสนาญาณตั้งแต่ญาณที่หนึ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงอนุโลมญาณซึ่งเป็นญาณที่สิบสองและปริญญาสามที่เกิดอยู่ในมัรคญาณเรียกว่าเป็นปริญญาโลกุตละญาณซึ่งจะสงวนเอาไว้พูดรวมกันในชั้นนั้นอีกครั้งหนึ่งสำหรับ ปริญญาโลกีย า, ยานอันดับแรกคือยาตะปริญญานั้นโดยชื่อคำว่ายาตาเนี่ยแปล ว, ว่ารู้แล้วรู้แล้วคล้ายๆกัตายานแปล ว, ว่าทำแล้วคือทำตามสัจญานและกิจญานที่รู้ความจริงแล้วรู้ว่ากิจควรจะทำทาอย่างไรกัตายานก็เป็นผู้ กระทำการรู้อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วอันนั้นเป็นเรื่องของโลกุตระยานแต่ในชั้นนี้ที่เรียกปริญญานี้ว่าญาตาทีแ่แปลว่ารู้แล้วเนี่ยคือรู้แล้วอะไรอย่างไงนะฮะตรงนี้นะเป็นเรื่องที่จะต้องอธิบายกันให้เข้าใจในประเด็นนี้ก่อนที่จะอธิบายว่ารู้แล้วคืออย่างไรก่อนหน้านี้ไม่รู้หรือ และความรู้ตอนนี้แตกต่างกันอย่างไรกับความรู้ก่อนหน้านี้ผมขออธิอานประเด็นที่วางไว้ในประเด็นย่อยที่หนึ่งนี้ว่ายาตาบริญญาเนี่ยที่วารู้แล้วเนี่ยคือรู้ซึ่งอภินเยยธรรมที่แปลว่าธรรมที่ควรรู้ยิ่งโดยความหมายทางสาราก็คืออารมณ์ของวิปัสสนา ก็คือรู้อารมณ์ที่เรากำหนดนั่นแหละพูดง่ายๆนั้นประการที่หนึ่งประการที่สองความรู้นั้นมาจากไหนได้มาจากไหนได้มาจากไหนมีความรู้อะไรเป็นพื้นฐานไอ้ความรู้พื้นฐานกับความรู้ที่เป็นความรู้ในฐานะญาตปรินญานั้นเป็นคนละชั้นกัน แต่ความรู้ชั้นสูงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีความรู้ชั้นต่ำกว่าเป็นบาดเป็นฐานรองรับให้เป็นบันไดก้าวขึ้นมาเพราะฉะนั้นยาตาปริญญาที่รู้อภินญญ ย, ยธรรมได้อย่างนั้นที่ยังไม่ได้อธิบายเนี่ยรู้จากอาธิพรหมจันทร์คือกจยานที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจันทร์อะไรเป็นยานเบื้องต้นของพรหมจันร์ ความจริงศีลก็เป็นเบื้องต้นรมจรรันทร์แต่ที่ประสงค์กล่าวถึงในที่นี้นะเอาตัวยานใกล้ชิดเลยก็คือสุตามยาะยานแล้วเรื่องนี้ถ้าหากว่าใครได้อ่านยานวิปัสนาญาณในชั้นพระตรัยพิดกเนี่ยท่านพระสารีบุตรจะกล่าวนำตั้งแต่ สุตรมายะยานเป็นเบื้องต้นเลยมันมาสอดคล้องกับที่เราพูดกันว่าคนที่จะปฏิบัติวิปัสนาต้องรู้วิปัสนาภูมิชั้นใดชั้นก็ชั้นนั้นราษาลีบุตรบอกว่าคนจะทำวิปัสนาเนี่ยศีลจะมาสมาธิจะมาวิปัสนาญาณจะมาท่านกำหนดแสดงตั้งแต่สูตรามายายานคือต้องเรียนอย่างที่เราเรียนนี่แหละครับ เรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องเช่นรู้เรื่องอาภีญยธรรมว่ามีอะไรบ้างพูง่ายๆว่าสุตตามยะยานของพระสารีบุตรเนี่ยไม่ได้หมายถึงความรู้ธรรมะทุกเรื่องแต่หมายเอาความรู้ธรรมะในส่วนที่เป็นวิปัสนาภูมิมาในชั้นของสุตตามยะก่อนและหลังจากนั้นพระสารีบุตรจึงมาแสดงศีลมยะยานและหลังจากนั้นจึงมาแสดงสมาธิภาวนามยะยาณ จากนั้นจึงเข้าเรื่องของวิปัสนาญาณแท้แสดงไล่ขึ้นไปจนกระทั่งถึงมรรคญาณแล้วก็รวมทั้งญาณประกอบอื่นๆที่ได้จากมรรคญาณรวมทั้งหมดแล้วในนั้นก็ถึงเจ็ดสิบสามญาณนะฮะท่านี้พอมาถึงในชั้นของวิสุทธิมรรคเนี่ยท่านแสดงวิสุธทธิเจ็ดก็เริ่มที่ศีลวิสุธทธิจิตสาวิสุธทธินี่เป็นเรื่องของศีลมรรยญาณยกับ สมาธิเมวภาวนามายายานแล้วจึงเข้าทิฏฐิวิสุติซึ่งเป็นวิปัสนาญาณขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็ไปจบแค่ญาณสิหกคือปัจเจเวคขณะญาณเท่านั้นญาณอื่นในวิสุตธิมรตไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นทฤษฎีวิปัสนาอย่างเต็มๆอย่างเนี้ยวิสุติมรตก็สงสังเคราะห์มาจากปฏิสัมพิธาม ของภาษาลีบุตรเทระและปฏิสัมพิธามะก็สังเคราะห์มาจากพระสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในชั้นที่เราเรียนรู้กันก็โดยมากก็อย่างดีก็ไปจนกันแค่วิสุทธิมัชที่เอาเมาเผยแพร่กันนะี่นะแต่ว่าทั่วๆไปก็ไม่ได้มีโอกาสอ่านตัววิสุทธิมัชโดยตรงก็จะอ่านจากที่มีผู้ได้นาเอาเมาเผยแพร่ เขียนเป็นหนังสือหนังหาหรือพูดจาให้ฟังกันอย่างไม่ถือว่าเป็นเรื่องต้นต่อนนะักอันนี้ก็เลยเรียนแถมให้เป็นที่มาเพราะฉะนั้นสุตรตรมายญาณเนี่ยจึงถือว่าเป็นพาหะของยาตะปริญญาคนจะไม่ได้ยาตรปริญญาโดยไม่ได้เรียนรู้เรื่องวิปัสนาในทางทฤษฎี มาก่อนคำว่าเรียนนะจะเรียนมากเรียนน้อยเรียนทั้งส่วนที่ตัวเองเอาเป็นมุกสมาทานปฏิบัติอย่างเช่นจะปฏิบัติแบบจิตก็เรียนเรื่องจิตจะปฏิบัติเรื่องอายตนะก็เรียนเรื่องอายตนะจะปฏิบัติแบบขันก็เรียนเรื่องขันอย่างที่พุทธเจ้าทรงสแสดงแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนด้วยอภินญยธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างอันเป็นมุกเฉพาะคนต่างกันอย่างนี้ก็เรียกว่าเรียนเรียนแล้วเอาไปทําได้ ก็ได้ประโยชน์แล้วเป็นสุตตามายะยานเหรือจะเรียนคว้างเรียนอันอื่นด้วยแล้วก็ที่ตัวเองปฏิบัติด้วยก็ยิ่งดีครับอย่างที่ผมได้เรียนว่าเรียนแล้วมันเสริมเสริมอนัตตสัญญาให้กับบุคคลนั้นได้อย่างแจ่มชัดขึ้นเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติเฉพาะมุขของตัวเองมากยิ่งขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องเสียประโยชน์ น, นี่อันหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอารัตถวิปัสนาอารัตถวิปัสนานั้นหมายถึงความพยายามในการปฏิบัติวิปัสนาเบื้องตน้นอย่าลืมว่ายาตาบดิญญาน่ะเป็นวิปัสนาญาณที่หนึ่งเราฟังเรื่องวิปัสนาภูมิแล้วพลลงมือทําปั๊บได้ยาตาบดิญญานเลยหรือไม่ไม่ อ่าถ้าท่านจะเถียงบอกว่าบางคนก็ได้เลยได้เลยหมายก็ว่าฟังปุ๊บเนี่ยยังแลไม่เห็นเหมือนว่าจะไปลงมือปฏิบัติอะไรเลยก็บรรลุแล้วอย่างนี้ก็มีไม่ใช่หรือตอบว่าใช่อันนั้นเรามองในแง่ของพฤติการภายนอกแต่ว่าเมื่อมองก็ไปถึงพฤติภายในของจิตแล้วฟังแล้วจะต้องมีความพยายามอันเป็นอารัธอารัธะเนี่ย ท่านเรียกว่าอารัฐ ว, วิปัสสกะถ้าลอยคนนะผู้ปาลารบวิปัสนาปาลารบไม่ใช่มานั่งคิดว่าจะทำจะทำแต่คือออกแรงทําเป็นเบื้องต้นก่อนได้ความสำเร็จคือยานที่หนึ่งผู้ที่กำลังทําอยู่ในชั้นเบื้องต้นก่อนได้ยานเรียกว่าอารัฐวิปัสสก ะ, ะปัญญาใดสัมปชัญญาใดสติใดความเพียรใด ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นในระหว่างนั้นเรียกว่าอารัฐวิปัสสนาเรียกว่าอารัฐวิปัสสนาเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ครับบางคนก็นานเหมือนอย่างบางคนในเรียนมานานแล้วก็ไม่เข้าสักทีแล้วก็อาจจะมีบางคนเรียนฟังชอบมากทั้งชอบทั้งสอนแต่ยังไม่เคยทํากรรมฐานเลยจนบนัดนี้ก็ยังอุตสามีครับยังไม่เริ่มยังไม่มีอารัฐ ที น, นี้บางคนพอเข้าแล้วอารัตทะอยู่ตั้งเป็นสิบสิบปียังไม่ได้วิปัสสนาญาณมีใช่ไหมไม่บางคนก็อารัตทะไม่นานได้วิปัสสนาญาณที่หนึ่งได้ยาตาปริญญามันก็มีแตกต่างกันแต่เเาะจะช้าจะเร็วเนี่ยถือว่ายาตาปริญญาคือวิปัสสนาญาณที่หนึ่งเป็นต้นเนี่ยเป็นผลได้จาก ความรู้เรื่องวิปัสนาภูมิและการลงมือกระทาที่เรียกว่าอารัตถาวิปัสนาเดี๋ยวผมจะพูดเทียบให้เห็นว่ามันแตกต่างกันยังไงอย่างนี้จะเข้าประสบการณ์ของผู้ที่เคยปฏิบัติแล้วทุกคนเราผ่านตรงนี้ไปก่อนอก่อนที่จะผ่านไปเนี่ยมันมีคำถามแทรกนิดหนึ่งว่าก็ไหนว่าเรื่องของ ภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องปัดจัดต่างและทำไมถึงเที่ยวเอามาพูดมาจากันจะต้องมาพูดก็ททำไมก็หมายก็ว่าคุณอยากบรรลุมรรคผลไหมละ่ะถ้าบรรลุมาจุงมือมาเลยนั่งทำอย่าถามว่าทำยังไงอย่าถามว่ากาหนดยังไงเพราะว่าเรื่องการปฏิบัติมันเป็นปัดจัดต่างทำไปแล้วก็รู้เองนิค ก็มีเสียงแสรกว่ามันไม่ใช่รู้เองนมันจะบ้าเองมันจะหลงเองเพราะนั้นไอ้คำว่าปัจจตังมันหมายถึงภาคปฏิบัติและภาครู้แต่คนจะลงมือปฏิบัติได้เนี่ยมันไม่ใช่เราไปรู้วิธีปฏิบัติเองใช่ไหมคนที่จะรู้วิธีปฏิบัติได้โดยตัวเองด้วย ด้วยจินตายานเนี่ยท่านบอกไว้เลยครับในพระไตรปิฎกเล่ม35ว่าถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกเอาพระปัจเจกพุทธเจ้าออกพระพระปัจเจกกับพระสัมมาพุทธเจ้าออกนะฮะนอกนั้นต้องผ่านสุตตามยปัญญาแล้วก็เข้ามาสู่อารัฐะวิปัสสนาทั้งนั้น สุตะบ่มนานอารัตทบ่มนานหรือน้อยเป็นข้อแตกต่างกันในแต่ละบุคคลแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าทั้งสองประเภทแล้วไม่ต้องฟังก็ทําจริงท่านก็คงอยากฟังนะฮะแต่จะไปฟังจากใครใครจะมาพูดให้ฟังท่านไม่ได้มาคิดว่าท่านสร้างม า, บ า, บ, า, บ, าบารมีมาแล้วท่านจะไม่อยากหาที่ฟังอย่างพระพุทธเจ้าเราท่านก็อยากหาที่ฟัง แต่ก็ไม่สามารถจะหาคนสอนได้จริงไม่จริงอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านจึงต้องไปค้นคว้าเองและการค้นคว้าอันหนึ่งซึ่งทำให้วิปัสสนาภูมิเข้ามาได้เนี่ยก็คือคิดเพราะฉะนั้นจินตามยะปัญญาที่เป็นวิเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิปัสสนาเนี่ยจึงเป็นของมีได้เฉพาะพระพุทธเจ้า หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนจะคิดทฤษฎีวิปัสนาขึ้นมาได้มีอยู่สองคนเท่านั้นในโลกนี้นอกนั้นคิดไม่ได้ต้องฟังจากครูบาอาจารย์ที่ได้สืบต่อกันมาจากพระพุทธเจ้าเป็นต้นต่ออันนี้ก็รับทราบ เ, เอาไว้ตรงนี้ส่วนหนึ่งแต่เวลายังรู้แล้วรู้เองใช่ไหมเวลารู้แล้วรู้เอง คนอื่นรู้แทนไม่ได้คนอื่นทําแทนไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของภาคปฏิบัตินี่มาดูข้อสามว่ารู้โดยเป็นนามรูปปริเฉทยานและปัจจยปริกา ย, ยานนี่ก็เป็นเรื่องที่เรากล่าวย้ํำๆแต่วันนี้จะมีอธิบายละเอียดนะอันนี้ก็เป็นการกําหนดฐานะของยาตาว่าก่อนหน้านี้ไม่เรียกยาตาไม่เรียกว่ารู้แล้วยังไม่รู้ ต้องถึงตรงนี้เท่านั้นจึงเรียกว่ารู้แล้วและคำว่ารู้รู้แล้วเนี่ยต้องเข้าใจให้ดีะเพราะว่าภาษาไทยบางทีจะทำให้เราเข้าใจเคลื่อนไปนิดหนึ่งคำว่าแล้วมีสองอย่างแล้วโดยการอันหนึ่งแล้วโดยการหมายความว่าเป็นอดีตผ่านไป จึงเรียกว่าแล้วอย่างเช่นวันที่แล้วปีที่แล้วอะไรย่างนี้นะฮะนี่เรียกว่าแล้วโดยการอีกอย่างหนึ่งคือแล้วโดยกิจแต่เป็นปัจจุบันโดยการก็ได้เป็นอดีตโดยการก็ได้เรียกว่าแล้วโดยกิจอย่างเช่นขณะที่คนได้ยานที่หนึ่งเนี่ยชื่อว่ามียาตาปริญญาแปล ว, ว่ามีปริญญาคือความ รู้แล้วต้องเติมคำว่าอยู่เข้าไปด้วยครับรู้แล้วอยู่อย่างที่เปรียบเทียบว่าคนกำลังกินข้าวอยู่มีคนถามว่ากินข้าวหรือยังเรา us nak, okay. ühl, ก bon ็ตอบว่ากินข้าวแล้วก็ได้ใช่ไหมฮะกำลังกินข้าวก็ได้ตอบโดยกา่ากกำลังกินข้าวตอบโดยกรีกก็บอกกินข้าวแล้วอยู่อาบน้ำแล้วเวลาจะไล่ลูกหลานในอาบน้ำอาบน้าแล้วก็ตอบมาจากห้องน้าแปลว่ายังอาบน้าไม่เสร็ แต่บอกว่าทากิจนี้อยู่แล้วแต่ถ้าพูดให้มันสมบูรณ์ก็ บ, บอกอาบน้ำแล้วอยู่กินข้าวแล้วอยู่นั่งฟังธรรมะแล้วอยู่พูดธรรมะแล้วอยู่บวชพระแล้วอยู่อย่างนี้ถือว่าแล้วโดยกิจเป็นปัจจุบันก็ได้หรือเป็นอดีตมา ก, ก็ว่ายาตะปริญญานั้นข้ามเลยเป็นถึงตีรณปริญญาแล้วก็เรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้ได้ยาตะปริญญาแล้ว เป็นแล้วเป็นความรู้แล้วที่ผ่านเลยไปแล้วด้วยตรงนี้นะเป็นเรื่องของแล้วโดยกิจต่อไปยาตะปริญญานั้นเพื่อควรรู้และการละสัตตสัญญาหมายถึงความสําคัญหมายว่ามีสัตว์มีบุคคลหรือจะเรียกว่าอัตตสัญญาก็ได้ความสําคัญหมายว่ามีตัวตน ขณะที่รู้เนี่ยละสัญญาตัวนี้ได้ความจริงวิปสัสนาทุกอย่างเนี่ยมันละอนตัดสัญญาทั้งนั้นละอนตัดสัญญาทั้งนั้นแต่ว่าตื้นลึกหนาบางแตกต่างกันถ้าไม่มีตื้นลึกหนาบางแตกต่างกันมันก็ละได้ดีเดียวนะเพราะว่ากิเลสทุกตัวเนี่ยแต่ละตัวมันมีตื้นลึกหนาบางต่างกันเห็นจะว่าท้งนั้นแหละเช่นโลภะก็มีทั้งกามราคะ ภาวะราคะวิภาวะราคะหรืออรู ป, ปราคะรู ป, ปราคะใช่ไหมฮะเวลาละไม่ใช่ละทีเดียวหมดมันมีชั้นต่างกันทิศถิก็มีชั้นต่างกันก็มีการละอย่างในขั้นโลกี ย, ยาณเนี่ยจากหยาบขึ้นไปหาละเอียดตามลำดับตามลำดับโทสะก็เหมือนกันมีขีดขั้นต่างกันละต่างกัน วันนั้นอริยมรรจึงละกิเลสได้เป็นส่วนๆชั้นๆตามหยาบตามละเอียดไปโดยลำดับเพราะนั้นการละสัตตสัญญาในยาตาปริญญาเนี่ยเป็นอันหนึ่งขั้นหนึ่งนี่นี่เป็นส่วนนะเรียกว่าอํานาจของยาตาปริญญาในทางปฏิเสธอีกส่วนหนึ่งคือเพื่ออบรมตีรณนปริญญาสืบป ก็คือคนจะได้เตือนหน้าปริญญานั้นต้องได้ยาตะปริญญาก่อนเป็นลำดับไปอย่างนี้เอานะนี่ผมว่าถึงประเด็นคร่าวๆให้ฟังที่ตั้งไว้เป็นเบื้องต้นคราวนี้ก็จะอธิบายเป็นส่วนว่าที่ว่ารู้แล้วที่เรียกว่ายาตะปริญญาในยานที่หนึ่งเวลาที่เราเรียนเรื่องวิปัสนาภูมิเรื่องอนัตตาเรื่อง สั์เรื่องบุคคลว่าเป็นของสมมติไม่มีจริงนามรูปขันห้าเป็นของมีจริงถามว่าเรารู้แล้วหรือยังเรายังไม่รู้เรอเราไออัตตาสัญญาสัตตาสัญญาเรากระทบกระเทือนบ้างแล้วหรือยังหรือไม่กระทบกระเทือนเลยเอเราก็ตอบว่ามันก็รู้นี่ให้ยกมือ ก็ยกมือมรับว่ารู้แล้วก็จะว่าไม่กระทบกระเทือนเมื่อกระทบะเทือนนี่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเห็นแก่ตัวมากตอนหลังเขงเรียนเรื่องอนัตตาเรื่องพวกนี้แล้วก็เห็นแก่ตัวน้อยลงกว่าก่อนใช่ไหมทำไมถึงว่ายังไม่รู้แล้วตามในนี้ก็บอกว่ายังไม่ชื่อว่ารู้แล้วตามมาตรฐานของวิปัสสนาญาณที่หนึ่งและ อีกขั้นหนึ่งคือคนที่ลงมือปฏิบัติวิบัตนากรรมฐานก็พยายามกําหนดนามกําหนดรูปตามสภาวะลักษณะว่าเวทนามีลักษณะอย่างไรเพื่อเห็นความไม่ใช่ตัวตนกนสัตว์ว่าจิตมีลักษณะอย่างไรเพื่อให้เห็นว่าไม่มีตัวตนกนสัตว์รูปทั้งหลายในสรีละนี้การคูเข้าเหยียดออกยาบทใหญ่ยาบทย่อยเราก็กําหนดตามรู้ แล้วก็เริ่มจับว่าลักษณะของรูปแต่ละรูปลักษณะของนามแต่ละนามมันมีลักษณะเป็นของตัวของตัวมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันก็เหมือนว่าเราน่าจะรู้แล้วนะแต่ท่านก็บอกว่ายังยังจนกระทั่งเราได้ยานที่หนึ่งจึงทื่อว่ารู้แล้วเพราะอะไรผมจะพูดอธิบายตามมาตรฐานยานที่หนึ่งรู้ แล้วก็ท่านลองมานึกเทียบกับในขณะที่ยังไม่ได้ญาณว่าแตกต่างกันอย่างไรคือในขณะที่บุคคลรู้เมื่อยังไม่ได้ญาณเนี่ยในขณะที่บุคคลยังไม่ได้ญาณอันนี้ขอให้นึกถึงประสบการณ์จริงของแต่ละคนขณะกำหนด ก่อนยังไม่ได้ยานเนี่ยในชั้นเลวที่สุดเนี่ยนะครับไอสุตตาไม่พูดถึงนะฮะสุตตาเนี่ยมันเรียนเกินเลยกว่าการทําได้ของคนได้นะเป็นเรื่องธรรมดาเรียนเรื่องอรหรันเรียนเรื่องหลักการอย่างงู้อย่างนี้แต่พอลงมือก็ทํามืดแปดด้านอันนั้นเราไม่พูดถึงนะเอาเป็นว่าลงมือทําทําแล้วก็พยายามกําหนดรูปกาหนดนามในชั้นเลวคือจับรูปจับนามไม่ถูก ชั้นเลวเนี่ยมายก็ว่าลองจับรูปจับน้ำไม่ถูกแล้วมันก็หมายความว่าอนาคตไม่ไกลนะถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เราถึงไม่แปลกใจโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยผมก็คลุกคลีกับพวกพวกเราบางคนก็ูทำมาบางอย่างทํามาสิบปีบอกฉันยังจับรูปจับน้ำไม่ถูกเลยฉันที่ว่าฉันยังทําไม่ถูกเนี่ยไม่ใช่ฉันว่าเองอาจารย์ ที่ควบคุมปฏิบัติก็ว่าว่าจับรูปจับนามไม่ถูกผมก็ไม่ไม่ทราบว่าเขาบอกยังไงบ้างนะฮะแต่ว่าผลมันออกมาคือจะเป็นความไม่สามารถของอาจารย์ก่อ น, อ น, นในราฐนฐานแบบไม่รู้ไว้ทั้งคู่นะหรือเป็นความไม่สามารถของลูกศิษย์ก็อาจเป็นไปได้เราก็ต้องกระจายบางคนเนี่ยเข้าใจยากจริงๆครับเข้าใจเรื่อง เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็แล้วกันเข้าใจยากไม่รู้จะพูดว่ายังไงก็ทําแล้วก็ทําไปจับไม่ถูกรูปถูกนามทั้งที่เริ่มลงมือแล้วนะฮะเป็นอารัฐท้ววิปตนาแล้วแต่ยังจับรูปจับนามไม่ได้กรณีถ้าคนจับรูปจับนามไม่ได้เนี่ยแสดงว่าความเพียร น, นั้น สตินั้นสัมปชัญญะนั้นดีหรือไม่ดีเลวเหมือนกันกระโทษอาจจะใช้คำพูดทางพระฟังเป็นรุนแรงไปนิดนะ่ะทำไมถึงว่าเลวเหมือนกันเพราะคนถ้าอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเราอาจจะโทษได้ว่าลายมือไม่ดียงอย่างนี้ใช่ไหมแต่นามรูปของเราเนี่ย เราโทษไม่ได้ว่าน้ำรูปของเรามันไม่ชัดของคนนู้นชัดกว่า ม, มันโทษไม่ได้เพราะอะไรเพราะความโกรธเรามันก็เหมือนคนอื่นโกรธความเย็นความร้อนเราเอาละบางครั้งน้ำนี้ไม่ชัดน้ำนู้นมันก็ต้องชัดรูปนี้เวลานี้ไม่ชัดรูปนั้นเวลานี้มันชัดเสียงไม่ชัดแต่รูปที่กระทบตาชัดใช่ไหมฮะ เพราะนั้นไอ้ส่วนนี้เราเสมอกันแปลว่านังสือคือนามรูปของเรานั้นเหมือนกันอย่ามาโทษว่าชัดไม่ชัดไม่ได้ถึงจะบอกว่ามันชัดบ้างไม่ชัดบ้างมันมีอยู่แต่ว่ามันอันนี้ไม่ชัดอันอื่นก็ชัดนะฮะมันอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่กําลังของความเพียรของผู้ปฏิบัติเองต่างหากแล้ว มันไม่ชัดเพราะเรียนมาไม่ชัดได้กัลยาณมิตรบอกไม่ชัดหรือตัวเองมีไอ้เบื้องลึกบุพการิยานั่งสมมาน้อยมีอาวอ์เครื่องกีดขวางอันเป็นเหตุผลภายในของตัวเองที่มามีผลทําให้อาตาปีสัมมชาโนสติมาของตัวเองไม่ชัดนั่นน่ะก็พูดเสว่าต้องโทษศักยภาพทางการปฏิบัติของตัว โทษสติของตัวแล้วก็เมื่อมองว่ามันติดขัดตรงไห น, นก็แก้ไขตรงนั้นตามหน้าที่ของครูบาอาจารย์หรือผู้ดีเรียนมาดีนี่เป็นอารัฐวิปัสสกาชั้นเลวเลวแล้วมันได้ยานไม่ได้คราวนี้มอามอว่าเราแก้ไขมาเรืเ่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งอารัฐวิปัสสนาของเราเริ่ม ดีขึ้นจับรูปจับนามได้เอาละพอมาถึงตรงนี้นะ่ะผมก็เชื่อว่าที่นั่งอยู่ที่นี่ต้องจับรูปจับนามกันโดนมาแล้วทั้งนั้นถามว่าเวลาที่ท่านปฏิบัติกรรมาฐานเอาว่าไม่ต้องไปปฏิบัติเอาขณะนี้จิตของท่านเป็นอย่างไรท่านรู้ไหม ถ้าโกรธอยู่รู้ไหมกลุ้มอยู่รู้ไหมฟังเข้าใจแจ่มแจ้งดีรู้ไหมฟังไม่เข้าใจรู้ไหมฟังแล้วไม่ชอบใจรู้ไหมฟังแล้วชอบใจรู้ไหมเกิดโสมนัตอยู่รู้ไหมเกิดอุเบกขาอยู่รู้ไหมรู้เอาสติไปกําหนดที่ก้นของตัวเองที่นั่งอยู่ก็ก็อีมีความร้อนความเย็นความหนักความหน่วงความกดทับ รู้ไหมรู้มีใครบ้างไม่รู้ยกมือขึ้นผมจะได้เชิญไปนอกห้องเดี๋ยวไปบรรยายพิเศษเไม่มีใครไม่รู้เพราะฉะนั้นไอ้นี่คือการที่เรากําหนดจับสภาพของนามและลูกที่ปรากฏแต่ในตอนที่เรายังไม่ปฏิบัติเนี่ย ถึงแม้ว่าคนมีมือใหม่เอี่ยมมานั่งไม่เคยฟังเรื่องวิปัสสนาอยากยากอย่างนี้เลยสมมุติว่ามีแล้วผมถามเมื่อกี้นะท่านก็จะต้องตอบได้เหมือนกับคนอื่นตอบแต่ถามว่าจิตของท่านที่ไปกําหนดรู้เนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันตอบว่าแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งก็คือรู้อย่างชาวบ้านรู้ อย่างคนที่ไม่รู้เรื่องวิปัสนาปัญญาก็รู้เพราะให้รู้อย่างนี้เรารู้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วถูกมั้ยถูกไหมละ่ะแต่คนที่เคยทำวิปัสนาเนี่ยพอถามอย่างนี้มันกำหนดด้วยความเป็นวิปัสนาเลยจเจริญสติเลยแล้วตัวเองก็รู้เลยว่าไอ้การกอย่างกาหนดรู้อย่างนี้ถ้าทำจิตแบบชาวบ้านก็รู้อย่างชาบ้านรู้ อย่างอัตกรถาว่าอย่างสุนัขรู้ไม่ต่างกันการรู้อย่างนั้นรู้เท่าไหร่เท่าไหร่จิตไม่มีการยกระดับเพราะอะไรเพราะไม่ได้รู้อย่างผู้ทาวิปัสนาถ้าถามว่าผู้ทาวิปัสนาเขารู้ยังไงเขารู้จากความรู้อยู่ในเบื้องลึกว่านี่เป็นนามเป็นลูกทฤษสีบอกเราจะต้องกำหนดสติด้วยใจเป็นกลางนะฮะ โดยความเพียนเป็นกลางโดยสัมปชัญญะเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็พูดง่ายๆว่าต่างกันด้วยความเป็นกุศลกับอกุศลแต่กุศลต้องหมายถึงกุศลอย่างวางใจได้ในฐานะความเป็นสติปัฏฐานภาวนาเอาละ่ะเราหักอันนี้ทิง้งคราวนี้ไอความรู้อย่างนี้นะเวลาเราเข้าไปอยู่ในห้ององมตะใจเราก็เป็นวิปัสนาเป็นความเพียร ในทางภาวนาขันขันนั้นแล้วก็จับรูปจับนามถามว่าเมื่อเราจับรูปจับนามได้เนี่ยเราเห็นเต็มตาเกิดความรู้สึกเต็มใจเลยเฉยหรือว่าโอ้อันัตตานเนี่ยเราไม่น่าจะมายึดว่าเป็นของเราเลยเราไม่น่าจะมายึดเป็นเราเลยแกมแจ้งแดงแจ๋เลยอย่างนั้นหรือ ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นแล้วยังไงก็คืออย่างนี้เราต้องต่อสู้กับความรู้สึกอย่างชาวบ้านก็คือความต่อสู้อย่างกิเลสถึงแม้ว่ามันจะเป็นย้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่แหละครับไอความรู้สึกอันหนึ่งมันก็เข้าไปยึดว่านั่นเรานั่นของเราพูดอย่างภาษ า, ษาธรรมะก็เลยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องสำหรับความรู้สึกอย่างชาวบ้าน ถ้าอย่างเอาผู้อาว่าถึงอย่างชาวบ้า น, นก็คือเวลาเกิดเวทนาเจ็บคิดว่ายังไงครับใครเจ็บเราเจ็บเจ็บของใครของเราใครและเจ็บอย่างนี้มีคนทําให้เราเจ็บแล้วฮะเอ า, เอามีสิชาวบ้านก็ต้องโทษแหละเดินไปชนข้างฝา้ายังโทษยังโทษคนอื่นเลยยังไม่ล่ะเดินไปเตะ น, นู่นเตะ น, นี่ยังโทษคนอื่นเลย มีตนอื่นดีคตนของตนตนของคนอื่นที่เข้ามาเป็นเจ้าขอาเจ้าของแล้วก็คิดว่าเมื่อมันทำให้เราเจ็บเมื่อมันทาให้เราเกิดความเจ็บเราก็ต้องทำให้มันเจ็บบ้างเห็นไหมความเจ็บของคนอื่นไหม อ, อันนี้คืออย่าง้าวบ้านคิดทีนี้ไอ้เราเนี่ยเราพกสานึกอย่างเนี้ยติดเข้าไปต่อสู้กับสำนึกข้างดีเราก็พยายามไปกนนมันจับได้ก็จริงครับ แต่เรายังเข้าไปเสมอเสมอนะนี่เราพูดถึงว่าขั้นจับรูปจับนานได้แล้วเนี่ยนะฮเอากิเลสเข้าไปจับแล้วกิเลสยังเป็นอัตราส่วนข้างมากขว่าสติถูกไม่ถูกในชั้นแรกเพราะนั้นจึงไม่แปลกที่หลายคนบ่นว่ามาดูทำไมความเจ็บมานั่งทำไมให้เจ็บใช่ไหมฮะเพราะไอท้ทีแรกเนี่ยมันเจ็บๆหรือไปเดินทำไมให้เสียเวลา ให้เรื่องอย่างนี้ไม่ต้องเราก็รู้อยู่แล้วนี่ยัามาทำให้มารู้อะไรขึ้นมาเราก็สงสัยสารพัดไปก็ไอสิ่งที่เราจับบมัดได้ตรงนี้แหละแปลว่ากิเลสเข้ายิ่งเข้าเท่าไหร่เนี่ยครับนามรูปนั้นก็จะเป็นอารมณ์แก่กิเลสปาลมัดนั้นจะเป็นอารมณ์แก่กิเลสของเราและเป็นการสร้างกิเลสขึ้นในระดับหนึ่งทาบ พูดเทียบไม่เห็นถึงระดับสูงเลยอย่างเช่นพวกที่เขาทำฌานทาสมาบัติเนี่ยเขาก็าเอาน้ำรูปเป็นอารมณ์นะแต่เขาก็คิดว่าน้ำรูปเป็นอย่างงี้อย่างนี้ที่เป็นเรื่องอัตตาอัตยัญญาไปหมดถูกไหมคนทําวิปัตนาเหมือนกันถ้าไม่คอยควบคุมอันนี้มันก็ถูกกิเลสกินเป็นทาลองอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นคนเนี่ยที่ทําภาวนาเนี่ย ถึงเข้าใจมีทัศนคติต่อนามรูปเนี่ยต่างๆกันนึกออกไหมฮะถ้าถามว่าเพราะอะไรตอบได้หลายอย่างแต่อย่างนี้คืออย่างหนึ่งอย่างนี้นะ่ะคืออย่างหนึ่งแหลคะครับไออย่างอื่นก็มีวันหลังผมจะจะตอบให้ฟังเพราะผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนปฏิบัติด้วยกันนี้ทำไมถึงไม่เหมือนกันทาอาณาปานะเหมือนกัน แต่ทำไมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันในหมายก็ว่าไม่เหมือนกันอย่างอยูอย่คนละสี่เลยก็มีเพราะอะไรมันมีคําตอบสําคัญอยู่ครับว่าเพราะอะไรคําตอบเป็นตะระหนักรอยอื่นมีนะะแต่ว่าไออย่างที่ผมจะบอกตอนนี้ก่อนก็คือว่าการเข้าไปกําหนดเพราะยิ่งเราเข้าไปทําเห็นชัดเท่าไหร่นี่ยความละเอียดของกิเลสทัศนะของกิเลสเนี่ยมันจะยิ่งลึกขึ้นมาอีกถ้าคนไม่รู้เรื่องน้ําเรื่องรูปเลย กิเลสมันก็มาเกิดกับ น, นามกรรับลูกตีค่านามรูปอธิบายนามรูปเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เป็นถูกไหมฮความเข้าใจเราเข้าถึงละเอียดกิเลกก็ละเอียดตามนี่เป็นเรื่องธรรมดาอย่างเรื่องอื่นๆที่พูดแล้วคราวนี้เราเอาความคิดสายกิเลสออกกําหนดเวทนาอยู่นั่นแหละเช่นเห็นอุเบกขาอยู่นั่นแหละแต่ง่วงเนี่ยถูกไหม ถูกวิปัสนาไหมไม่ถูกง่วงอยู่ฉันอฉันรู้ว่าเฉยแต่พอมันเฉยฉันเลยง่วงง่วงดูดูเฉยมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วทํามแกหนักหนักเข้ามันกลายเป็นเป็นที่พอกพุงกิเลสคราวนี้กรณีของคนที่ทําแล้วจิตเป็นกุศลในซีกที่จิตเป็นกุศลว่ากําหนดด้วยสติสัมสัญญะ อาตาปีจับรูปจับนามได้โดยความเป็นบรรมิตเราเคยอยู่ในภาวะนี้มาแล้วไม่ใช่น้อยสำหรับพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ถามว่าเวลาเราจับได้อย่างนี้ปุ๊บหรือในขณะจิตเป็นอย่างนี้นะ มันเกิดความสะเทือนใจอะไรขึ้นมาบ้างไหมเอ้นี่ไม่ใช่ตนจริงๆอย่างงู้นอย่างนี้ได้เลยหรือยังอย่างใช่ไหมฮะเราต้องสั่งสมอบรมรูกําหนดรู้ไปอย่างนี้เลย่อยๆจับลักษณะของรูปของนามที่เรียกว่าสภาวะลักษณะหรือปัจจัตตารักษณะนี่ไปเรื่อยๆเรือยๆไอการกําหนดไปเรื่อยๆเๆเนี่ย ไอ้น้ำมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นไอไ อ, อารมณ์นนะมันก็ยังคงที่ของมันอยู่อย่างนั้นแต่อะไรไม่คงที่อะไรดีขึ้นตัวสติสัมปชัญญะดีขึ้นนั้นทำเรืเ่อยๆๆๆอารมณ์มันก็ยังเก่าแต่สติสัมปชัญญะเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนามรูปเราก็ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรไปเห็นไหม มันไม่เหมือนกับงานหัดงานฝีมืออย่างอื่นเห็นไปเรียนตัดผมเนี่ยต้องเอาหัวคนนู้มาตัดคนนี้ตัดแล้วก็ผู้นี้มาตัดอีกไม่ได้แล้วหัวนั่นก็เปลืองผมไปไปเอาหัวคนอื่นมาตัดอีกหมายถึงผมนะไม่ใช่ตัดหัวก็ผ่านไปยงี้เลยรื่อยสิ้นเปลืองแต่กําหนดน้ำกำหนดรูปไม่สิ้นเปลืองแต่ใจมันจเจริญเติบโตพอะะเจริญเติบโตถึงจุดหนึ่งเนี่ยฮะจะเป็นยาตับปริญญา จุดที่เป็นยาตาปริญญาเนี่ยคือหนึ่งความรู้สึกว่าเป็นตนเนี่ยครับมันได้รับการกระทบกระเทือนความรู้สึกว่าเป็นของตนได้รับการกระทบกระเทือนกระทบกระเทือนอย่างชัดเจนและ มีพลังไอความรู้สึกเนี่ยมีพลังปกแผ่กีดกันอากุศลคืออัตตะสัญญาหรือสัตตาสัญญาที่เคยเกิดขึ้นมาอย่างง่ายๆเนี่ยให้หยุดชะ ง, งักในรัสมีได้ขนาดหนึ่งซึ่งผู้นั้นจะมีความรู้สึกชัดเจนและหลุนแรงกว่าเมื่อกำหนดในขั้นอารัฐวิปัสนา อ่ทีนี้เรามาดูขั้นอารัธวิปัฏนานเนี่ยมันก็เห็นว่านี่นะเวทนามันมีลักษณะอย่างนี้แต่ความรู้สึกว่าเป็นของเราความรู้สึกพอใจไม่พอใจเนี่ยมันแทรกเข้ามาได้อย่างง่ายๆครับและมันไม่รู้สึกรุนแรงอะไรนะและถ้าคนได้ขั้นอารัฐว์เนี่ยไปให้อาจารย์สอบอารมณ์อาจารย์บอกว่านี่แหละมันไม่ใช่เราก็พยักหน้ารับอย่างในชั้น ประสบการณ์แค่นั้นแล้วก็ในชั้นทฤษฎีไปแค่นั้นแหะครับแต่ถ้าหากว่าคนไหนได้ยานอย่างนี้เองเนี่ยไปเจอหน้าอาจารย์สอบอารมณ์และจะอธิบายให้อาจารย์ฟังเลยพฤติกรรมความรู้สึกอารมณ์มันออกมาให้อาจารย์เห็นเลยอาจารย์จะไม่ต้องบอกหรือถ้าบอกก็ยิ่งเป็นที่ชัดเจนว่านี่แหละคือวิปัสสนาญาณที่หนึ่งที่บุคคล น, นี้ได้แล้ว เป็นความรู้สึกอย่างชนิดที่ตัวเองไม่เคยรู้สึกแล้วก็มีความรู้สึกเพาอทิษฎีเนี่ยพูดไว้คืออย่างนี้ทราบซึ่งในหลักทฤิษฎีเป็นพิเศษขึ้นเมื่อถึงจุดนี้ก็เป็นจุดแตกต่างที่สำคัญเพราะนั้นยาตาปริญญาจึงสรุปได้อย่างนี้ครับหนึ่ง ในส่วนของอารมณ์ในส่วนของอารมณ์ที่ผู้ปฏิบัติเห็นเนี่ยนะก็เห็นอย่างประจักษ์ชัดว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆมันเหมือนเป็นเป็นของคนอื่นและความสุขที่เกิดขึ้นตัวก็ไม่ตื่นเต้นอย่างคนที่มีความรู้สึกต่อความสุขนั้นอย่างเป็นเราเป็นของเรา ตื่นเต้นอย่างกำนังมันเหมือนไม่ยึดถือนะเห็นเป็นคนอื่นสุขเทียบว่าเหมือนเห็นคนอื่นเขากินดีอยู่ดีกินอิ่มอยู่อิ่มรู้ว่านะเขากำลังมีความสุขตัวเองก็ไม่ยึดถือไม่ตื่นเต้นเหมือนอย่างที่เป็นของตัวนะเห็นคนอื่นเขาถูกรางวัลที่หนึ่งกระโดดตัวลอยล้ว ลอยตามแล้วไหมเราก็ไม่ลอยตามเพราะอะไรเพราะมันเป็นความสุขของคนอื่นก็เดยแต่รู้ว่านั่นเป็นสุขไม่มีอิทธิพลต่อตัวเองและแม้แต่ทุกข์ก็เป็นของคนอื่นทุกข์คนอื่นเขาร้องโอยๆเราก็ไม่ร้องตามไม่งั้นเราคงได้ยินเสียงคนร้องครวนคลางกันแซ่ด แถวแถวที่เกิดอุบัติเหตุเช่นรถไฟตกหลงไงน่นะใครผ่านมาทั้งนั้นไทยมุงร้องกันลั่นตามไปด้วยหมดลองเจ็บปวดอย่างคนอื่นก็เจ็บปวดน่ะมันก็เห็นอย่างนี้เพราะนั้นอิทธิพล ค, ครอบงำย่ำยีสติสามัญญะที่เรียกย่อกครอบงำใจย่ำยีใจเนี่ยจึงไม่มีเพราะความเห็นอย่างนี้มันสลัดความเป็นตนและความเป็นของตนออกไปได้อย่างแจ้งชัด แล้วก็จะเกิดความรู้สึกไม่สะทกสถานหวั่นกลัวกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นหรือไม่เกิดความรู้สึกเสียดงเสียดายหวงแหนกับความสุขที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เกิดความโง่เาขลาหรือดูเบากับอุเบกขาเวทนาที่เกิดขึ้นแปลว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอุเบกขาในทัศนะของผู้ที่ได้ยาตาปริญญาเนี่ย มันมีค่าเท่ากันเป็นสิ่งไม่ใช่ของตัวเท่ากันไม่ใช่ตัวเท่ากันมีลักษณะที่ชัดเจนแก่ผู้นั้นเท่ากันความเป็นอิสระในชั้นต้นก็เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นและความรู้สึกอย่างนี้จะชุ่มแช่อยู่เป็นเวลานานถามว่านานแค่ไหนไม่แน่นานแค่ไหนเนี่ย มันอยู่ที่คนคนนั้นเปิดโอกาสให้ยีเล็ดอันเป็นตัวแสลงยานตัวนี้เข้ามาได้มากน้อยแค่ไห น, นสมมติว่าคนนั้นพอได้ยานที่หนึ่งปุ๊บก็ออกทิ้วกระเป๋าออกจากสํานักเลยออกจากป่าเลยออกจากถ้ำเลยอยู่นานไหมฮะไม่นานมาแต่เสื้อผ้าของใช้ใส่กระเป๋ากลับบ้านแต่ลืมเอายานหิ้วกลับมาด้วยยานมันก็อยู่ในสํานักนี่พูดเป็น เป็นข้อเทียบอย่างนั้น่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเกิดยังอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นยังจเจริญอยู่ถึงแม้ว่าไม่ได้มาได้ยานนี้เป็นปรากฏขึ้นอีกมันก็อยู่นานอนันอนุรักษณาประธาน<ม>ก็สามารถที่จะรักษาได้นานไปตามการจัดตัวป้องกันบาปใหม่บาปอื่นที่จะแทรกเข้ามาใช่ไม่ใช่ ถ้าคนทํากรรมฐานได้อารมณ์ดีได้ความสําเร็จดีในสมมุติจุดนี้แล้วยังทําต่ออาจารย์ก็จะเสียดายเองครับแต่เจ้าตัวจะนึกเสียดายแค่ไหนหรือไม่มันอยู่ที่เหตุปัจจัยแต่ละคนอาจารย์จะเสียดายว่านี่ขอให้อยู่ต่อได้ไหมต่ออายุต่อสัญญาเคยมีมาแล้วผมได้เจอแม้แต่ที่ไปที่ปพม่านี่ก็เจอ ตั้งใจจะไปเดือนอาจารย์ขอให้อยู่ต่ออีกสองเดือนจะจะเข็นให้ไปให้ลิ้วให้ได้ทำไปทำมาอยู่เป็นปีจนถึงเดี๋ยวนี้ปฏิบัติได้ผลสูงมากก็ไม่รู้สูงขั้นไหนนะแต่ดูเราผมเห็นดูแล้วแหมเราเ ม, ม, มียเราไม่เหลือเกินหน้าตาแล้วก็ผิวพรรณอากับกริยาที่แสดงออกเ น, นี่ยนะ ละเมียดละไมถ้าไปเดินจงกรมอยู่กับพวกมือใหม่ๆก็ยังกับกาในฝูงหง ะ, ะเอ้ยไม่ใช่หงในฝูงกาหงในฝูงกานะคนอื่นเป็นกาคนนี้นเป็นหงโอ้โหมันผิดกันเลยการสำรงสารวมทุกสิ่งทุกอย่างในผิดกันหมดอย่างนี้มันไม่ใช่พูดแค่ว่าอยู่นานแค่ไหนแล้ว มันส่งต่อครับส่งไปถึงปริญญาอื่นต่อไปอีกถ้าไม่หยุดทำความเพียนนี่อันหนึ่งคือการเข้าถึงอารมณ์อ่ผมไม่มีแผ่นจะเขียนให้ดูอธิบายฟังสร้างภาพกับเองนะสองก็คือการเข้าถึงกิเลสที่ตัวเองเอาชนะได้ เห็นภัยของกิเลสว่าเวลานี้เราหมดแล้วเมื่อก่อนเราเป็นอย่างนี้คนทั่วไปไม่ได้ปฏิบัติก็เป็นอย่างเราเมื่อก่อนรู้ขึ้นมาด้วยเพราะว่าความรู้เนี่ยมารู้ทั้งอารมณ์อารมณ์นี่เป็นเบื้องต้นเหมือนเราอ่านหนังสือนี่น ะ, ะตาของเราการเห็นของเราเป็นวิปัสสนาหนังสือเป็นนามรูป นี่เราอ่านหนังสือแล้วเนี่ยอ่านอ่านรู้ตัวหนังสือรู้แผ่นรู้หน้าเรียกว่าถ้าอ่านชำนาญจนเกือบจะเรียกว่าหลับตาเปิดหน้าเลยถูกเลยนะแล้วก็รู้เลยว่าหน้านั้นเป็นยังไงยังไงหยิบหนังสือมาปบเห็นมันตะเข็บนิดหนึ่งรู้ว่าพอเปิดนี่นต้องไปเจอเรื่องนี้สูตรนี้บางทีไอ้ไอ้แผ่นมันมันไปเยิดไปเยิดกันนิดหน่อยเยงี้นะอันนี้คือชำนาญเปิดพับก็รู้เห็นพับก็แทบจะรู้อะไรมาอยู่ตรงไหน ความที่บุคคลนั้นได้ยาตาปริญญานั้นชำนานในานามรูปโดยความเป็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่เป็นลักษณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างโดยความเป็นประมัดอย่าลืมว่ามันมากกว่าการรู้ว่านี่เวทนาอย่างนั้นอย่างนี้ตรงที่รู้ด้วยว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความรู้สึกอย่างนี้น่ะมันเป็นความรู้สึกชักจะพูดกันไม่ค่อย ได้ในทางปริยัติแล้วแต่ก็ไม่ถึงก็ยากนะแต่คนที่ไปรู้สึกเนี่ยมันรู้สึกง่วจริงๆนะรู้สึกอย่างหัวใจมันถอดออกไปเลยว่าไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่แค่ขั้นคิดทําใจไอขั้นคิดทําใจนึงว่าเราจะมีความ อ, อทําใจได้เออนี่ไม่ใช่ของเรานะมันไม่ไม่ใช่ห ย, ยาบๆเนี่ย มันรู้สึกเป็นคนละส่วนกันกันกบไอ้การอย่างเห็นของตัวเลยนี่คือความเจนจบในอารมณ์และเพราะเรารู้อารมณ์นั้นเนื่องจากว่าการทำวิปัสสนานั้นอีกการละเหมือนกับอ่านหนังสืออ่านแล้วเมื่อเรารู้เราก็รู้ใช่ไหมฮะเช่นว่าเรื่องนี้เมื่อก่อนเราเข้าใจอย่างหนึ่งด้วยความไม่รู้ พอเราฟังจนรู้แล้วก็รู้ว่ารู้ออแล้วก็รู้ออว่าเออไอนี้มื่อก่อนเราไม่รู้อะเราก็ใจผิดอ่ะใช่ไหมฮะฟังธรรมะหรืออ่านธรรมะหรื อ, อเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันอ๋อเมื่อก่อนเราก็ใจผิดนี่เรามาอ่านเจออย่างนี้แล้วมันไม่ใช่เขาบอกคนนั้นเป็นอย่างนั้นเราเข้าใจผิดถ้าเมื่ อ, อไรเรายังไม่รู้เราก็นึกว่าเราก็ใจถูกอยู่นั่นแหละไม่เคยคิดที่จะบริหารความเข้าใจาตัวเองใหม่ แต่ว่าต่อมาเมื่อมาเห็นเขามาเห็นเขาเข้าเห็นตัวเขาเหมือนเห็นอารมณ์เราก็เริ่มแล้วเออเขานี่พฤติกรรมไม่ได้เป็นอย่างนั้นหน้าตาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็รู้เห็นเขาจึงเกิดความแล้วก็รู้ว่าเราเข้าใจผิดเราเข้าใจเรารู้ว่าเราเข้าใจเขาใหม่แล้วใช่ไหมครับทำวิปัสสนาเนี่ยจึงรู้ครบโดยอาศัยปรมัติอารมณ์ เป็นที่อ่านเป็นหนังสือเมื่ออ่านแล้วละความเข้าใจผิดออกไปเจะได้เราก็รู้ความละนั้นด้วยแล้วก็รู้ความเข้าใจถูกด้วยนั้นยานที่หนึ่งเนี่ยจึงเห็นว่านามรูปที่เป็นอารมณ์ไม่ใช่ตัวตนด้วยและกิเลสเป็นตัวเป็นตนไหม ไม่ใช่ด้วยไอ้นี่แน่ๆแล้วครับรู้ว่าคิเลสมาสร้างความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนแล้วก็รู้ความรู้ของตัวเองด้วยถามว่าแล้วอย่างนั้นนามรูปไม่ใช่ตัวตนแล้ววิปัสนาเป็นตัวตนใช่ไหมใช่ไม่ใช่วิปัสนาเป็นของตนใช่ไหมไม่ใช่อีกกายไม่ใช่ตนฉันใดไม่ใช่ของตนฉันใดจิตที่กําหนดกาย นะฮะตัวสติที่กําหนดกายก็ไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนกิเลส ท, ที่ผูกพันกับกายมาแต่เดิมก็ไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนก็ตกลงถอนตนออกจากทั้งสามองค์ประกอบที่ตัวเองเข้าถึงอยู่ในขณะนี้เนี่ยแล้วมันเป็นไปอย่างนี้ทุกยานฮะเป็นไปอย่างนี้ทุกยานจนไปถึงเรียกว่าเกือบชนมขยาน อะตรงนี้เป็นกระบวนการการละกิเลสอันหนึ่งที่ผมต้งวนไวจะอธิบายเมื่อพูดถึงปหาหนะาปริญญาและถ้าเข้าใจตรงนี้เราจะไม่ไม่ดูถูกตัวเองในการทำกรรมฐานเลยและไม่บังคับให้ใครเป็นไปอย่างใจอย่างงูอย่างนี้เลยเพราะไอ้นี่คือกระบวนการการละกิเลสลงไปสู่นามรูปลึกเท่าไหร่กิเลสสะท้อนออกมาเท่านั้น ยานแกมเท่านั้นเราก็จะมองเห็นตรงนี้แล้วก็เข้าใจยอมรับเข้าใจยาทาใจเป็นขั้นๆไปนั้นบางโคอาจารย์บางคนบอกว่าโอ้นี่ทำกรรมฐานเนี่ยนะดีแล้วละ่ละที่เกิดความรู้สึกง่วงเกิดความรู้สึกอย่างนั้นนะถูกแล้วอย่าไปกลัวมันโมเอจะทำกรรมฐานแล้วมันอย่างนี้ตลอดไปจะทำไปทาไ ม, ไมดูหนังดูละครไม่ดีกว่าเลย เราเวลามันง่วงเนี่ยมันทรมานนะใช่ไหมฮะถูงไม่ถูกถ้าใครนั่งงงอยู่ขนาดนี้จะตอบได้ดีที่สุดนะมันทรมานฟุ้งก็ทรมานไม่ชอบใจก็ทรมานเอฮอาจารย์ยังมาว่าดอีอาจารย์บอกว่านี่เป็นครูอ่านมันบอกอะไรแต่อะไรเนี่ยนะฮะบางทีเราก็อาจจะรู้สึกมันกระจายแต่ว่าอธิบายกันเป็นระบบแล้วก็จะเข้าใจชัดตีคลุมหมดสําหรับตรงนี้ และไม่มีใครทำแล้วไม่เป็นอย่างนี้ต่างกันนะว่าเป็นมากเป็นน้อยเป็นน้อยก็เป็นสุขาปฏิปทาเป็นมากก็เป็นทุขาปฏิปทาคือปฏิบัติลำบากคือข่มกิเลสลำบากกับข่มกิเลสง่ายมันก็อยู่ที่การสั่งสมของตัวเองนะเพราะไอเรานี่มันสั่งสมมาทั้งสองซิกแล้วก็มาสู้กันถ้าสั่งสมมาทั้งสองสิกแล้วก็อีกอีกซิกดีไม่ทา มันก็ไม่ได้สู้มันนะฮะมันก็โดนครอบงําและความทุกข์ความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นมาหยุดหย่อนเพราะฉะนั้นความรู้จึงเกิดขึ้นอย่างในขั้นนี้ทั้งสามส่วนและอันนี้ถือว่าเป็นการเข้าถึงอนัตตาเบื้องต้นที่สุดอนัตตาชั้นแรกที่สุดของการปฏิบัติ โดยยังไม่เห็นความเกิดดับเห็นความเกิดดับเห็นความบังคับไม่ได้ก็เป็นอนัตตาแต่เป็นอีกขั้นแล้วใช่ไหมเห็นนามรูปว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้เกิดเกิดดับดับอย่างหยาบหยาบซึ่งเราไม่ได้เอาตรงนั้นเป็นตัวสาระเท่าหับตรงนี้นะเห็นให้รู้ว่ามันแค่สวยอารมณ์เท่านั้นเองหรือมันแค่คิดเท่านั้นเองหรือมันแค่ร้อนเท่านั้นเองแล้วก็ผ่านไปผ่านไป มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครบังคับเอาอย่างใจไม่ได้เนี่ยเห็นตรงนี้ให้แจมแจ้งชื่อว่าจับอนัตตาขั้นพื้นฐานของภาวนาใหม่ได้ถ้าตรงนี้ไม่ได้อันอื่นไม่ได้นี่คือคำว่ารู้แล้วคือลองอ๋อท่านจะเหมือนบอกว่าเหมือนเราลองอ๋อ เพราะอะไรเพราะเราฟังมาอก่อนไม่ได้ฟังทั้งหมดยังไม่ได้ฟังคนทต้อง ค, คิดไปอย่างหนึ่งเนี่ยนะแล้วเกิดมาปฏิบัติเห็นอย่างนี้แล้วไปนึกเทียบกับไอ้ความรู้สึกก่อนที่ตัวเองจะจะมาสนใจเรื่องอนัตตาต้องร้องอ๋อดังเป็นวิเศษอะครับเหมือนอย่างนี้ฮนะอันนี้เป็นคําพูดที่ คนนับถือศาสนาฝ่ายเทวะนิยมพูดบางคนก็มาเป็นคนสอนวิปัสนาแล้วก็มีบางคนก็กำลังปฏิบัติได้ผลดีถึงกับพูดสิ่งที่ถึงสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่ออย่างฝังใจว่าเหลวไหลจริงๆขอใช้คาว่าเลวไหลนะเป็นความเชื่อที่เหลวไหลมาก แต่จะพูดอย่างนี้ก็ต้องพูดกับคนที่พอมาถึงจุดใกล้ๆกันแล้วนะที่ว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะตนภายนอกตนภายในเป็นเรื่องเหลวไหลจริงๆไม่ใช่และยิ่งคิดอย่างนี้เชื่ออย่างนี้มยิ่งเป็นการก่อทุกข์นะไม่ใช่แก้ทุกข์นะครับยิ่งเป็นการแก่ก่อทุกข์อัตตากับทุกข์เนี่ยมันของคู่กัน จริงไม่จริงเราลนึกอย่างสามัญดำเน็กง่ายๆก็จะนึกว่าอัดตาข้างในอัดตาข้างนอกก่อทุกข์เดยกันอย่างว่าเราเกิดไปโมโหคนหนึ่งมีชีวิตจิตใจกลับไปโมโหตุกตาตัวหนึ่งไม่มีชีวิตจิตใจเราจะโมโหใครมากกว่ากันถ้าสมมติว่ามันจะเกิดอะไรที่มันทำให้เรา ไม่ชอบใจคนกระตุกตาตัวหนึ่งขึ้นมาเราต้องโมโหคนมากกวา่าตุกตาเพราะอะไรเพราะเราสำนึกว่าคนเป็นอัตตาตุกตาไม่มีอัตตาถึงเราจะไปผูกพันอุปาทานยึดถือก็เหมือนกันนะฮะหรือจะไปพ่วงความรู้สึกอื่นใดเข้าไปก็แล้วแต่เช่นเราจะไปนึกว่าคนเนี้ยเป็นสารณะได้ สั่งเราได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราจะทําตามใจชอบอะไรก็ได้พ่อเราเป็นนั่นเป็นนี่นะฮะเจ้านายเราคุ้มครองเราได้เราจะไปทําผิดทําชั่วไงช่วยได้ทั้งนั้นเกิดเชื่อขึ้นมาอย่างผิดผิดเนี้ยนะเหมือนอย่างลูกของบางคนในสังคมที่เป็นปัญหาเนี่ยเชื่อจนหลงผิดเพราพ่อแม่ตัวเองเป็นพระเจ้าพ่อตัวเองเป็นพระเจ้าสามารถจะทําผิดให้เป็นถูกได้ มันก็เกิดไอ้นี้ใส่ไม่ดีขึ้นมาผมเองเนี่ยสมัยเด็กๆ เ, เด็กจริงๆเนี่ยผมเป็นคนชอบแกล้งคนมากเพราะว่าผมเป็นหลานคนแรกตาผมก็เป็นคนมีชื่อเสียงแล้วทุกคนตามใจกันหมดนั้นไอเ้เด็กๆเดินเข้ามาที่บ้านเนี่ยผมก็แกล้งได้บงังอะไรได้บางกระทั่งผมเข้าโรงเรียนไปแกล้งเพื่อนที่โรงเรียนโดนครูตี ที่ตาตุ่มครั้งเดียวครับผมเกิดความรู้สึกขึ้นมาตอนนั้นเลยว่าผมทําไม่ถูกผมนึกว่าผมใจะใหญ่ได้ทุกที่แล้วก็นิสัยก็เปลี่ยนกลับตาลปัดมาจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยพไม่เลี้ยวของครูนั่นแหละมีความรู้สึกว่าตาเรามากุ้งกรองเราทีที่ที่ที่โรงเรียนไม่ได้ดีสมัยก่อนกไม่ได้นะไปทําความผิดแล้วมาฟ้องกับ ที่บ้านสีส่งไว้แถมไปธรรมเนียมเมื่อก่อนไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่แน่เดี๋ยวนี้อาจจะนักเรียนอาจจะไล่ครูออกก็ได้ถ้าหาว่าพ่อตัวเองมนะีมันก็เลยแลเป็นว่าเป็นประโยชน์ของกิเลสไม่เป็นประโยชน์ของปัญญานะฮะถึงจะมีศรัทธาอะไรต่ออะไรบ้างกับบางการณีเนี่ยว่าบันดาลได้ยังงูอย่างนี้อย่างเรานับถือพระอย่างผิดผิดคือเราผิดนะ หมดพระนี่ท่านจะมาเสกบันดงบันดาลอะไได้แหมยังก็แย่สิครับเราไปทําความผิดความเชื่อไว้แล้ไวไม่หลวงพ่อคูณเอาไม้คอหัวความชั่วหายหมดความผิดหายหมดความซวยหายหมดอ ย, อย่างนี้ก็กแย่สิใช่ไหมละ่ะหลวงพ่อคูณท่านก็บอกว่าคงทําท่านก็ต้องบอกว่าทาไม่ได้หลวงปู่แหวนท่านก็เคยบอกแล้วว่าไม่ใช่ทําอย่างนั้นได้อย่ามาเอากันเป็นที่พึ่งกันแบบนั้นต้อง พึ่งกันแบบให้คนอื่นพึ่งตัวเองทำอะไรขึ้นมาเพื่อพึ่งตัวเองนี่ถ้าสมมุติว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาไอ้ความยึดติดความคึกเคิมในใจมานะทิฏฐิความเห็นแก่ตัวมันไม่มีครับนี่เป็นเรื่องที่ที่เรียกว่าโลกไม่ได้คิดกันโลกถึงมาได้ยินเรื่องอนัตตาแล้วก็ตีความไปในทางเสียหายซะอีก แต่คนที่เห็นอนัตตาที่ทราบซึ้งในอนัตตาเป็นขันๆทันๆแล้วเนี่ยมันเกิดผลดีตามสมควรแก่การอย่างเห็นของคนนั้นๆกลับจะเป็นอย่างนี้กลับตละปัดกับที่คิดนี่ก็ถือว่าพูดเล่าๆอย่างนี้คนที่เห็นอนัตตามากๆแลถึงเบาอ่ะมันเบา เบาเย็นสงบผิดกับคนติดอาชามันร้อนด้วยไฟคือราคะโทสะโมหะและกิเลสอื่นๆผิดกันอ้าวทีนี้ถ้าจะให้ชัดหน่อยก็ต้องชวนให้ท่านนึกถึงว่าเมื่อท่านไปเข้ากรรมฐานแล้วออกจากกรรมฐานวันนั้นจะกลับบ้าน มันจะเป็นวันที่เหมือนกับเราได้ปัจเจเวกเนี่ยเทียบให้ฟังนะไม่ใช่ปัจเจเวกจริงปัจเจเวกเริ่มนึกแล้วว่าเออเราเนี่ก่อนมาเราหนักอึ้งมาเลยน่าสีดน่าชมมาเลยใช่ไหมถ้าสมมติว่าท่านบริหารวิปัสนาเห็นคนเข้าก็มาฐานวันแรงจําหน้าอะไรไปมาหน้าไงแล้วก็พอวันออกดูอีกทีเอหน้ามันออกไปเหมือนเหมือนกันหมดนะหน้าเป็นผิวผองยองใหญ่นะ ใหญ่มากใหญ่น้อยผ่องมากผ่องน้อยแล้วก็เบาสบายแล้วเจ้าตัวก็จะนึกว่าเออนี่โชคดีนะที่เรามาเข้ากรรมฐ า, านนึกถึงเมื่อก่อนนึกถึงอย่างนี้นึกถึงอะไรแต่อะไรมันโปร่งเบาจริงๆความยึดถือน้อยนี่ขนาดยังไม่ได้บรรลุญาณอะไรสูงๆก็เป็นกันอย่างนี้แล้วเอาแล้วนะครับผมก็จะขอผ่านเลยมาถึงการอธิบายเรื่องอาพินเยยธรรม ความจริงอภินัยธรรมเราได้พูดกันมาวิจิพิษฎานในหลักสูตรก่อนหน้านี้สองหลักสูตรอแล้วแต่ในที่นี้จําเป็นจะต้องเท้าความถึงนิดหนึ่งเพื่อชีบ้บางแง่บางประการให้ฟังเท่านั้นอภินัยยธรรมที่แปลว่าธรรมที่ควรรู้ยิ่งรู้พิเศษเป็นความรู้เป็นธรรมที่ควรรู้พิเศษเพราะใครที่รู้แล้วก็จะมีความรู้พิเศษ พิเศษกว่าสามัญชนสามัญชนอยู่กัรูปกันามไม่ได้กำหนดรู้รูปนามก็ไม่ได้ความรู้พิเศษ